ได้เฉพาะความรู้ว่ากรรมเป็นของตนนี่แปลว่าอะไรแปลว่ารู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นของตนเนี่ยนะอากุศลไม่ใช่ของตนอากุศลเนี่ยมันนํามาซึ่งความเบียดเบียนนํามาซึ่งความเสียหายนํามาซึ่งความเดือดร้อนนํามาซึ่งความทุกข์ความยากความลําบากนํามาซึ่งน้ำจะเรียกว่าจ่ายถูกที่สุดเลยนะคือต้องเสียเหงือ่อเหมือนกันเหงื่อท่วมเลยนะจ่ายแพงอันนั้นก็เสียเสียใจแพงอันนั้นอีกหลังน้ำตาออกมาเลยเนี่ยเสียน้ําตาเสร็จแล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 พบหน้า squared? นั้นเราจะเจริญกุศลได้อย่างไรอย่างเพียงพอโดยแล้วกุศลที่จะนําออกจากวัฏฐะนี่นำออกได้อย่างไรวิจัยอย่างไรพิจารณาอย่างไรก็น้อมไปพิจารณาอริยาศาสตร์ว่าการพิจารณาอริยาศาสตร์นั่นแหละเป็นตัวที่จะนําออกไปจากวัตทุกข์แล้วอการพิจารณาอริยาศาสตร์นั้นพิจารณาอย่างไรพิจารณาให้สมควรแก่การ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 เอากิเลสอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตกิเลสอนาคตมันยังไม่เกิดถ้ากิเลสในปัจจุบันแสดงว่ากุศลกับอกุศลมันก็คลากันนะสิเอาพูดไปพูดมาเอางั้นกุศลมันก็ไม่ได้มีการละอากุศลจริงใช่ไหมเนี่ยการละอากุศลก็ไม่มีอยู่จริงเพราะไม่ได้ละอากุศลในอดีตไม่ได้ละอากุศลในอนาคตแล้วอกุศลในปัจจุบันเขบอกว่า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 รูปจะเลิกเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลทันทีรูปจะหมดสภาพที่เรียกว่าเพราะไม่ขึ้นอีกแล้วรูปนั้นเพราะกิเลสไม่ขึ้นอีกแล้วรูปเพราะสักกายะทิท่ถิไม่ขึ้นอีกแล้วเช่นรูปของพระพุทธเจ้าเพราะสกายะที่ถิ่นวิจิกิจช้าศีลพัฒตะปรา ม, มากเพราะราฆโทสะโมหะเพราะบาปอากุศลขึ้นไม่ในใจพระองค์โดยอาศัยรูปของพระองค์เพราะไม่ขึ้นเวทนาของพระองค์เนี่ยเพราะ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 ฟังและเข้าใจเลยโอ้เรานี่มีบุญมีบาปเฉพาะตัวนะอนนะกุศลอกุศลนี่นก็เป็นของเฉพาะตัวกุศล น, นี่แหละเป็นอุปการะแก่ตัวฟังและเข้าใจเลยได้ฉลาดอย่างนี้ขึ้นมาหูตาสว่างขึ้นเลยรู้ความรู้อันสมควรแก่สัจจะหรือว่าสัจจานุโลมมิกายาน น, นะเธอได้กรรมสกตาได้สัจจานุโลมมิกายานโดยอาศัยการฟัง น, นะก็คือสุตตามยญาญญาอย่างเป็นเปลี่ยนนั่นแหละ หรือหรือในที่เรียกว่าเรียนมาแล้วอ่ะนะอาศัยการเรียนก็เลยประกอบการงานด้วยความเพียรหรือศิลปะที่ประกอบด้วยความเพียรหรือฐานนแห่งวิทยาที่ประกอบด้วยความเพียรหรือได้ความชอบใจได้ความเห็นความพอใจความบันเทิงความเพ่งความชอบใจในการเพ่งทำเห็นตา น, นี้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 พอมาบางแห่งเหมือนกันบอกโอ้ไม่อยากบอกเป็นว่าเป็นนักเรียนมาจากบางแห่งเลยมันจะเสียชื่อสถาบันเขงหมดนั่นก็เหมือนกันนะท่านถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้อะไรเลยจากอนนั้นถามว่ามันจะได้เรียกว่านักเรียนนั้นไหมมีพรรูปหนึ่งกําลังให้ฟังว่าผมเนี่ยนะถ้ามันลบชื่อมาหาน a m หน้าอะไรผมจะไปลบทิ้งมันตั้งนานแล้วท่านบารีอะไรก็แปลไม่ถด้อะไรก็ไม่ได้ก็กเลยบอกจะลบทิ้งแล้วนะ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 สา ม, มารถตามที่เรียนมาเนี่ยนะโดยเฉพาะรู้มีกรรมสักตามีวิปัสนาปัญญานะรอบรู้เห็นเลยว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงชัดเจนเลยนี้ประเด็นที่พูดเนี่ยถามว่าโยงมาจากไหนทั้งหมดเนี่ยว่าไปศยาวเลยโยงมาจากที่ว่าที่พูดไปว่าภาวนาสองภาวนาสามภาวนาสองคือโลกิยะภาวนาภาวนาสามโลกุตระเออขอไป โลกิยะโลกุตระภาวนาภาวนาสามคือรูปราวจรอรูปราวจรและโลกุตรบะ 2, บรรทัสองบรรทัดสุดท้ายนั่นแหละท่านอยากอ้างว่าปัญญาทั้งหมดของบุคคลผู้ได้สมาบาร์เรียกว่าภาวนามายะปัญญาที่เราเรียนภาวนาพยปัญญามายเอาตรงนี้แหละก็เลยไม่เอากามาวจรกุศลเหตุผลที่ตั้งคําถามตอนแรกว่าภาวนามายะปัญญาไม่ใช่หมายเอา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 ตรงไหนคำพีว่าไว้ยังไงก็ว่าตามท่านก็พอตรงไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้ตรงไหนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจท่านโอโยงอะไรท่านอ้างอะไรท่านอิงอะไรเราก็อิงไปตามท่านว่าไปตามท่านแล้วท่านจะรักษาเราทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ว่าตามท่านเมื่อไหร่นะเกิดอะไรนะออกนอกกรอบเมื่อไหร่ก็เดียบร้อนเดือดร้อนใจวันหลัง ทำไมรู้ไหมเพราะว่าไอคำพูดใดถ้าสมมติถเราไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการอ้างเองนะวันหลังเราไปเจอคำที่ขัดแย้งกับคำพูดของเราถ้าโดยปกติเนี่ยคนเนี่ยมันแปลกนมันพวกตัวเองพูดคำใดเนี่ยมันอู้ให้ความสาคัญจริงๆเลยพอให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองพูดไปมากกล้า บ, บิดเบือนแล้ว ตอนแรกก็จะละเมิดไปเรื่อยๆฟันในเบื้องต้นพยายามอย่าอะไรที่เราไม่รู้ก็เอาไว้ก่อนตรงไม่รู้อย่าไปฆ่าอย่าไปฆเนียอย่าไปเดาอย่าไปอะไรมากมายพยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็โยงได้ก็ค่อยโยงถ้าโยงไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเนี่ยนะอันนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ลำบากใจเขาเล่าให้ฟังว่าบรรยายเคยอ่านหรือเล่าอ่านธรรมะให้ให้เพื่อนฟังอะไรสมัยแรยกๆเลยบางทีเราโยงเกินแววันหลังไปเจอไอ้ที่มันผิดพลาดเห็นความไม่สบายใจของเราทันทีว่า เราเองพูดอะไรไปเราก็อยากรักษาคําพูดของเราทีนี้มันขัดแย้งกับคําสอนเข้าอ่ะเนี่ยมันก็เลยทําให้ว่าอตอนหลังเห็นโทษของของการกล้าเกินไปฉะนั้นพยายามเห็นได้ ว, ว่าข้อความตรงไหนที่เป็นคําสอนท่านอธิบายอย่างไรอัติคถายอยากให้เรารู้อะไรตรงนั้นแล้วก็อย่าเอาข้อความอีกที่หนึ่งไปอธิบายให้อีกที่หนึ่งอย่างคําว่าภาวนาตรงนี้เนี่ยจริงอยู่ว่าข้อความตรงนี้เนี่ยยกเอาโลกิยอาอลกอัปปนาเอาสมาบัติเท่านั้น เฉพาะข้อนะอย่าไปอธิบายทุกข้อเฉพาะข้อไหนที่บอกว่าเอาเฉพาะออัปปนาข้อเดียวนะที่เน้นเฉพาะอัปปนาเนี่ยนะคือเนอโดยเฉพาะข้อหกสิบแปดเนี่ยนะเน้นเฉพาะอัปปนาข้อหกสิบแปดไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะเฉนะพาะเนี่ยอโลกิยะภาวนาโลกุตระภาวนาเฉพาะสองคำนี้แหละมาที่หมายเอา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 เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะชื่อว่ากำหนดรู้ในกองทุกขอย่างที่ว่า